งเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิภาพนาในตัวของเรามีกายกับจิตกายมีหน้าที่สัมผัสจิตมีหน้าที่รับรู้ เมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกกลิ้นกายและใจจิตเขาเป็นผู้มีหน้าที่รับรู้ <c oughs> ดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนา ก็คือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งะระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นวิสัยของตาก็รู้ทางตาเป็นวิสัยของหูก็รู้ทางหูเป็นวิสัยของจมูกก็รู้ทางจมูก เป็นวิสัยของลิ้นก็รู้ทางลิ้นเป็นวิสัยทางกายก็รู้ทางกายเป็นวิสัยของจิตหรือใจก็รู้ทางใจดังนั้นในเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่เราเห็นและไม่เห็น รู้หรือไม่ได้ตั้งใจรู้จิตเขาย่อมมีหน้าที่รับรู้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเองโดยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านผู้ใดมามีสติกำหนดรู้จิตของตนเอง ความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อมากำหนดรู้จิตของตนเองด้วยความมีสติคือมีความตั้งใจอยู่นั่นเองเสียงดังของพระเทศหรือเสียงอื่นๆซึ่งผ่านเข้ามา ทานเข้าไปในช่องหูจิตเขาย่อมทำหน้าที่รับรู้ดังนั้นรู้นี่จึงเป็นหน้าที่ของจิตธรรมชาติของกายมีหน้าที่รับสัมผัสธรรมอันธาธรรมชาติของจิตมีหน้าที่รับรู้ เพราะฉะนั้นในเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจะต้องมีความรู้อย่างแน่นอนแม้จะตั้งใจรู้ก็าตามไม่ตั้งใจรู้ก็าตาม <c oughs> ดังนั้น การฝึกสมาธิภาวนาจึงจำเป็นต้องพยายามค้นหาวิธีการที่ใกล้ต่อธรรมชาติเพราะศาสน า, าพุทธเป็นศาสนาธรรมชาติที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างขึ้น นอกจากจะมีผู้คนพบของจริงตามหลักของธรรมชาติเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สร้างศาสนาแต่ท่านรู้ศาสนารู้ศาสนาตามกฎของธรรมชาติแม้แต่การปฏิบัติของพระองค์ พระองค์ก็อาศัยธรรมชาติเป็นหลักคือกายกับใจนั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของพุทธประวัติในตอนเกี่ยวกับการตรัสรู้คำทีจาลึกไว้ว่าพระพุทธองค์ปฏิบัติทรงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็ไม่เด่นึกบริกรรมภาวนาคาถาบทใดบทหนึ่งเพียงแต่เอาธรรมชาติสองอย่างไปสัมผัสรู้กันลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตเป็นธรรมชาติรู้พระองค์เอารู้ตัวนี้ไปสัมผัสกับลมหายใจ กำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่มีสติกำหนดรู้อยู่เท่านั้นแล้วเจตของพระองค์ก็ดำเนินเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนเริ่มต้นแต่ปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ปีสิสุขเอกัศขะตา ติยชานมีติสุขเอกขตา ต, ติยทานมีสุขกับเอกขตาจะทุทธาทานมีเอกขตากับอุเบกขาความเป็นไปของจิตเมื่อจิตทำถึงสมาธิขั้นปฐมฌาน แจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วจิตมีวิจตคือรู้อยู่ที่อารมณ์ได้แก่ลมหายใจลมหายใจกับจิตไม่พลากจากกันจิตไม่พลากจากลมหายใจลมหายใจไม่พลากจากจิตมีสติสัมปชัญญะ เตรียมพร้อมรู้ตัวอยู่ตลอดการซึ่งสมาธิในตอนนี้เริ่มจะเกิดเป็นสมาธิซึ่งเป็นเองตามกฎธรรมชาติของสมาธิเมื่อจิตมีวิตกวิจารอารมณ์กับจิตเราคลึงกันอย่างสนิทแน่ น, นไม่พลาดจากกัน ความโ ด, ดดเดิมซึมซาบในอารมณ์ก็บังเกิดขึ้นจึงทําให้รู้สึกว่ากายเบาจิ ต, เ บ, จตเบากายสงบจิตสงบกายเบาจิตเบาเป็นกายวิเวจิตเบาจิตสงบเป็นจิตตวิเวเมื่อเป็นเช่นนั้นปีติย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อมีปีติแล้วสุขไม่ต้องผูดถึงเราะสุขเป็นผลเกิดจากปีติปิตเวยสุขในตีติย่อมมีความสงบไม่ดิ้นลนกระวนกระวายมีแนโน้อมเข้าไปสู่ความสงบคือความเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่อารมณ์ที่กำหนดรู้ในปัจจุบันขณะนั้น แล้วก็มีความวางเฉย อ, อุเบขาเป็นองค์ประกอบอันนี้เป็นการเข้าถึงสมาธิขั้นปฐมของท่านชายสิท ธ, ธัตถะเมื่อสมาธิมีความสงบละเอียดลงไปจิตละวางเปียจิตละวางวิตกวิจาร ไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆไม่ได้เนึกไม่ได้คิดอะไรแต่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเป็นองค์ประกอบเจตสมาธิอยู่ในขั้นที่สองซึ่งเรียกว่าทุาาติยขาด เมื่อจิตมีความสงบระเอียดลงไปอาการของปีติคือความขนทองสยองเกร้าวตัวสัน่นตัวลอยตัวเบาหายไปจากความรู้สึกกายเจือจางไปเกือบจะมองไม่เห็นว่ามีกายอยู่ ซึ่งเป็นไปตามอันดับแห่งความละเอียดของจิตเรื่อยไปกายก็ละเอียดอารมณ์เคยสิ่งที่จิตกำหนดรู้อยู่ก็ละเอียดเป็นสุขอันละเอียดมีสุขกับเอกคตาเป็นองค์ประกอบจิตอยู่ในสมาธิขั้นที่สามซึ่งเรียกว่าจะตุตตาติยะ า, าน แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตเป็นหนึ่งนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบกิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดจิตอาศัยความสว่างเป็นอารมณ์นิ่งเป็นกลางโดยเที่ยงธรรม เป็นจิตพุทธะทันที่หนึ่งเจตพุทธคือจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานเป็นถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปนาจิตว่าโดยสมาธิเรียกว่าอัปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกว่าอัปนาฌาน หรือฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจตุทธานมีองค์ประกอบสองคือเอกะขะตากับอุเบกขานี่คือสมาธิที่เป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาอยู่กันที่ตรงนี้ต ร, นตรงที่นักภาวนาสามารถทำสมาธิติดให้รวมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกะขะตา มีความเป็นหนึง่งและมีความเป็นกลางเป็นส่วนประกอบซึ่งเรียกว่าประกอบด้วยองค์สองเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิตามที่เราเข้าใจว่าโดยกรรมฐานก็เรียกว่าสมถกรรมฐาน สมาทสมาฐานที่จิตไปสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉยๆนั้นมีความรู้หรือไม่ความรู้ย่อมมีคือความรู้เรื่องของสมาธิคือรู้ว่าสมาธิขันปฐมฌานเป็นอย่างนี้พุทธิยฌานเป็นอย่างนี้ตาติยฌานเป็นอย่างนี้จะตุทชฌานเป็นอย่างนี้ เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วก็ได้ปัญญาคือได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่านี่คือสมาธิเมื่อก่อนเราทำสมาธิภาวนาจิตยังไม่สงบเราก็ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเมื่อเราทำสมาธิมาได้ถึงขั้นนี้เราก็รู้ทันทีว่า นี่คือสมาธิดังนั้นความสงบนิ่งของจิตโดยไม่ไหวติงอง น, นั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือฌานรู้แจ้งเห็นทัดหายสงสัยข่องใจอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ความรู้ว่าทานที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าคือมีพิตกวิจารปีติสุเกตขตาก็ดีรู้ว่าทุติยทานประกอบด้วยองค์สามมีปีติสุเกตัตาก็ดีรู้ว่าจตติยทานประกอบด้วยองค์สองคือสุกับเอกขตาก็ดี รู้ว่าจะตุดทททานประกอบด้วยองค์สองคือเอกัคตากับอุเบกขาก็ดีความรู้นี้เป็นความรู้แจ้งเห็นชัดหายข้องใจสงสัยความรู้อันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจว่า <c oughs> สมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นสิ่งซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันหาสมาธิไม่มีก็ไม่มีสมถะสมถะไม่มีก็ไม่มีวิปัสสนาสมาธิไม่มีก็ไม่มีฌานฌานไม่มีก็ไม่มียานยานไม่มีก็ไม่มีวิปัสสนา วิปัสนาไม่มีก็ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงนี่เราปฏิบัติเพึ่สังเกตความเป็นของจิตของตนเองไปตามขั้นตอนที่นี่ส่วนเราจะละอะไรได้บางนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงถึง เมื่อเราทำจิตให้มีสมาธิมีสติปัญญาการละวางของจิตนั้นย่อมจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติการปฏิบัติสมาธิต้องใหถึงความเป็นเองบางทีเราภาวนาพพธโ์เป็ น, นต้นพร้อมกับภาวนาพพธโธนั้นเรากลมจิตของเราน้อมจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบ บางทีจิตหยุดนิ่งเพียงแค่เกิดควาสมสงบปีติสุกเอกขตายังไม่บังเกิดขึ้นนิตกวิจารณ์ปีติสุกเอกขตายังไม่มีเราก็ไปเข้าใจว่าเราได้สมาธิซะแล้วความหยุดนิ่งของจิตซึ่งไม่มีองค์ประกอบเป็นแต่เพียงควาสมสงบเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องพาพนาไปจนกระทั่งจิตของเรามีวิตกวิจารปีจิสุเอกขตาจึงจะเป็นการใช้ได้จึงจะชื่ว่าได้สมาธิอย่างแน่นอนดังนั้นจึงทำความข้อดีจึงทำให้นับปฏิบัติทั้งหลายพากันเข้าใจจิต เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปบางทีก็ไป น, นิ่งอยู่เฉยๆบางทีนิ่งแล้วก็มีปีติมีความสุขแต่ติถาได้หยุดนิ่งไม่ซึ่งเดิมทีเขาอาจจะภาวนาพูดโพดโตอยู่พอจิตสงบนิ่งลงไปเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมา จิตก็มีความคิดขุดขึ้นมาความคิดอันนั้นสุดแท้แต่จิตเขาจะคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ความคิดนั้นก็ยังมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเป็นองค์ประกอบคื่อจิตรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็มีความคิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, เ, นเป็นระยะระยะ หรือบางทีก็เกิดขึ้ื่อนห่างๆบางทีก็เกิดขึ้นอย่างที่ยิบบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าจิตของเราคุ้งซ่านนั่นแหละคือตัวพิโตกซึ่งมันเกิดขึ้นในสมาธิในขั้นนี้หมายความว่าพอจิตจุดมาภาวนาพุโทโธแล้วนิ่งนิ่งแล้วก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมา ความคิดอ น, นั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่จิตเขาคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้สร้างใจเพียงแต่คิดขึ้นมาเท่านั้นตัวสติก็ตามรู้จิตคิดไปอย่างไรสติก็มีความรู้ <c oughs> คือรู้ตัวอยู่นั่นเองรู้รู้ตัวว่าจิตมีความคิด แต่รู้สึกว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดไปคิดไปก็ทำให้กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็ทำให้เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งหนึ่งแต่ว่าจิตคิดไม่หยุดน่าสงสัยไหมเราหนึ่งแต่จิตคิดไม่หยุดมันจะเป็นหนึ่งได้อย่างไร จิตยังมีความคิดอยู่ไม่หยุดจะเป็นหนึ่งได้อย่างไรมาหนึ่งอยู่ตรงที่ว่าจิตมีสติกำรรหนดรู้ว่าตัวเองมีความคิดคิดแล้วก็ไม่ได้คิดมั่นถือมั่นในความคิ ด, ดนั้นคิดแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไป นี่จุดนี้นักปฏิบัติพากันเข้าใจผิดเข้าใจผิดโดยที่ว่าเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างแล้วเกิดความคิดหรือยังไม่ว่างหรือยังไม่สว่างก็ตามแต่สงบลงไปแล้วพอมีความเจ็บๆในจิตแล้วความคิดมันก็ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้น อดขึ้นมาจนกระทั่งเรารั้งไม่อยู่จนเราเข้าใจว่าจิตโง่ซตานอันนี้เป็นการเข้าใจผิดแต่ความจริงสมาธิมันจะมีวิตกวิจาร์ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิจิตที่จะเดินเข้าไปสู่ปตผมมาชานคือชานที่หน ซึ่งมันต้องมีวิตกวิจาร์ปีติสุกเอกขตาเป็นองค์ประกอบดังนั้นในเมื่อท่านผู้ใดภาวนาแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น <c oughs> คือเมื่อเจสงบนิ่งว่างแล้วเกิดความคิดขึ้นมา <c oughs> ควรจะปล่อยให้จิตคิดไปตามลำพังเขาเอง แล้วเรามีสติกำหนดู้อยู่ในทีถ้าหากว่าเป็นความคิดที่เกิดจากพลังของสมาธิจริงๆแม้เราจะตั้งใจรู้ก็าตามไม่ตั้งใจรู้ก็าตามสติเขาจะทำหน้าที่ของเราของเขาเองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ เพราะงั้นนักปฏิบัติต้องสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองให้ดีโทีิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเรียกว่าอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อจิตจุดกำหนดรู้ลมหายใจแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ควรจะปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ หรือบางท่านบริกรรมภาวนาพุโทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอเมื่อจิตเริ่มสงบเป็นสมาธิจิตจุดบริกรรมภาวนาไปนิ่งว่างอยู่ก็าตามหรือเกิดมีความคิดเพ้่นก็าตามให้มีสติกำหนดรู้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องดึงกลับมาหาอารมณ์เดิมอีก หรือท่านผู้ที่พิจารณากายยกตาสติพิจารณาผมขนเล็บันหนังเป็นต้นโดยที่เราน้อมเข้าไปสู่ปฏิปุรสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของปฏิปูรน่าเกลียดโสโโรกในขั้นต้นเราอาจจะตั้งใจนึกพิจารณาไปตามที่เราต้องการ พอจิตสงบลงไปแล้วเป็นสมาธิจิตอาจจะทิ้งอารมณ์เดิมที่เราพิจารณาอยู่แต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ก็ควรจะปล่อยให้จิตเขาคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดรู้ไป หรือใครจะพิจารณาพระทยรักอนิจจงทุกขังอนัตตาหรืออะไรก็ได้จิปาถะแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเมื่อจิตมีแนวโน้มลงไปเป็นสมาธิพอเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วจิตปล่อยวางสิ่งที่เราพิจารณาอยู่แต่ไปเกิดความรู้ความคิดไปขึ้นมา ก็ควรที่จะปล่อยให้เขาคิดไปตามเรื่องตามราวของเขาหน้าที่ของเราคือมีสติกำหนดตามรู้ไปเป็นระยะระยะซึ่งแล้วแต่จิตเขาจะคิดไปอย่างไรเนี่ยขอให้สังเกตความเป็นไปของจิตในการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมาแล้ว <c oughs> อย่าไปมัวยึดอยู่แต่อารมณ์เก่าอารมณ์เดิม ในขณะที่เราเึกบริกรรมภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาอยู่ก็ดีอันนั้นเป็นกิริยาการกลมจิตให้รู้จักการบริกรรมให้รู้จักการพิจารณาที้เมื่อเมื่อสมาธิเริ่มเกิดขึ้นมาจิตเขาสามารถคิดหรือหาสิ่งที่กำมาเป็นอารมณ์ให้กับตัวเขาเขาเองได้ ก็ควรจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงหน้าที่ของเราก็มีสติกำหนดรู้เท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือดับไปภายในจิตแต่ถ้าหากเราลองปล่อยให้มันเป็นไปให้จิตมันคิดไปพอคิดไปคิดไปเรามีสติตามรู้ไปรู้ไป เราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วปีติความสุขบางเกิดขึ้นบางทีความคิดเร็วขึ้นเราก็ปล่อยให้เขาคิดไปอย่างนั้นในเมื่อคิดไปสูดท่วงเขาจะหยุดนิ่งแล้วเข้าสู่สมาธิ นิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้เช่นเดียวกันกันกบที่เราบริกรรมภาวนานี่ขอให้พิจารณาหลักวิธีการอันนี้แล้วลองปฏิบัติจูความเป็นจริงสมาธิในขั้นตนนี่คือสมาธิขั้นสมถาะ เคยใจสงบนิ่งบ้างสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติสมควรที่จะพยายามทํำให้ได้เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาอยู่กันที่ตรงนี้เมื่อจิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานก็เป็นจิตพุทธเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เป็นอัตตาธีปะเป็นอัตตาสรณาเป็นอัตตาหิอัตานโนนาถูตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วเราจะได้หลักแห่งการปฏิบัติเอาละต่อไปนี้จะได้หยุดพูดขอให้ทุกท่านสำรวมจิตสำรวมใจกำหนดรู้อารมณ์ตามที่ตนเคยปฏิบัติมา พรมจิตให้กำหนดพิจารณาอารมณ์ด้วยรู้อยู่ที่อารมณ์ในเบื้องตน้นเพราะตอนต้นจิตยังไม่เป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตมีความเป็นเองคือหาอารมณ์มาป้อนให้กับตัวเองได้แล้วหน้าที่ของเราประคองไปอย่าไปบีบบังคับให้เขาย้อนกลับมาสู่อารมณ์เดิม จะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นขันติความอดทนเป็นตะปะกรรมคือความเพียรเผาบากอย่างยิ่งในพณาธิจิตของเรายังไม่เป็นเองโดยอัตโนมัติเราต้องอาศัยสัจจะเป็นเครื่องมืออาศัยขันติเป็นเครื่องมือ อ, อ, ม อ, อดทนทำไปจนกว่ามันจะบรรลุผลสำเร็จคือความเบาสบาย หรือถึงความเป็นอัตโนมัติดังที่กล่าวแล้วการภาวนาในขั้นต้นๆ น, นี่ <c oughs> มันก็เหมือน ก, นกันกับที่เราจะบุกเบิกที่ทางเพื่อทําประโยชน์นั่นเองการเริ่มทํางานมันก็ย่อมงานหนักแต่เมื่อทําไปงานก็ค่อยเบาไปเบาไปเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะงั้นจะพากันข้อถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ เหตุการณของศาสนาก็รู้สึกว่าผันปุ่นเขาเล่นล่นรุ่นวายเรามาหาความสงบให้มันเป็นให้ใจพวกเรามีที่อยู่ที่อาศัยอย่าไปรุ่นวายกับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมาวุ่นวายกับการที่เราจะขับกิเลสออกจากใจเนี่ยดีกว่าที่จะไปเอาสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องวัด